บุกท <Book> <20. S 3> ูยี่สิบดูด็กการสนทนาหนึ่ง Conversazione <ation> ตทำตัวตามสบายค่ะ c o m f o r t Vin ทำตัวเหมือนอยู่บ้านคุณเองนะคะ Sent Vin คุณอยากดื่มอะไรคะคียนวิชาตุสตริงคีคุณชอบดนตรีไหมคะชูวิชาตัสมูจิกอดิฉันชอบดนตรีคลาสสิกคะ่ะวิชาตัสคลาสสิกันมูจิกอนนี่คือซีดีของดิฉันคะ่ะเยนมิยายลุมดิสกอย คุณเล่นเครื่องดนตรีได้ไหมคะชูวิลูดสัสมูซิกอินสตรูเมนตอนนี่คือกีตาร์ของดิฉันค่ะเยนมิยากีตาร์รอคุณชอบร้องเพลงไหมคะชูวิชาตาสัสคันทิคุณมีลูกไหมคะชูวิฮาวัสเกฟีลอย คุณมีสุนัขไหมคะชูบิฮาวาสฮุนคุณมีแมวไหมคะนนี่คือหนังสือของดิฉันเยนบิยายลีบรอยดิฉันกำลังอ่านหนังสือเล่มนี้วีเอสทัสเลแกนตาชิติุนลิบรน คุณชอบอ่านอะไรคะคคุณชอบไปดูคอนเสิร์ตไหมคะชูวิชตัสอีรอัลคอนเซรเ์เตยคุณชอบไปดูละครไหมคะชูวิชตัสอีรอัลเทารคุณชอบไปดูโอเปรา่าไหมคะชูวิชตัสอีรอัลโอเปเรย